ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงมาพกกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในนางสีประวัติคนุพ่อปานวัดบ้านุงโคต่อไปเปลียนวาดในวันก่อนแลม้มาจบลงตอนที่มันปวดท้องจัดแล้วก็ท่านแม่เอาพระมาตั้งไว้ให้ภาวนาว่าพุทโธ และท่านก็บอกว่าพระใจช่วยระะกักษาโรคภหยหายจากการปวดท้องแต่พระองค์นั้นก็เป็นจริงเป็นพระที่มีความรักท่านมากนึกถึงท่านอยู่เสมอตอนนี้ก็ต่อไปว่าสีของพระนี่แท่นเหลืองอารามนะท่านเหลืองอารามนั่นหน้าที่เขาทําไว้ก็ยิ้มสวยมากกลิ่นทูปหอมก็ตลบ ตอนนั้นก็รู้สึกใจสบายขึ้นมามาก <c oughs> เริ่มมีความสุขใจความเจิ้มหน้ายิ้มของคนและหน้ายิ้มของพระหน้ายิ้มของวัตถุตุ๊กตาอะไรก็ตามเขินชื่อว่าเรื่องการยิ้มยิ้มนี่เราก็ชอบกันเมื่อเวลาที่หลับตาลงไปขณะที่ภาวนาอยู่ก็เห็นภาพพระท่านลออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีความชื่นใจภาวนาไปไม่กี่นาที อาการทางปวดท้องก็รู้สึกว่าคลายปวดที่คลายปวดนีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบเพราะว่าคําภาวานานั่ยคู่กับอานาปานุสติกรรมฐานคือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยไว้ร้ายใจเข้านึกว่าพุทธไว้ร้ายใจออกนึกว่าโทที่ท่านแม่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้ไม่เลย ลอยลมไม่ใจไปตามสมบายกินใจใจจับอยู่ที่พระพุโทโธเรนึกว่าใจจับที่คำภาวนาแล้วก็เห็นพระไปด้วยใจก็เป็นสุขเมื่อเริ่มใจเป็นสุขอาการคลายจะหายปวดอาการคลายอยู่หาคลายคลายจะความปวดความปวดเบาลงนี้ให้เข้าใจนะเพราะตอนนี้จิตเริ่มไปสมาธิ ถ้าจิตเริ่มเข้าถึงอุปจาระสมาธินี่อาศัยอนาปานสติกรมฐานอาการทุกเวทนาทางกายมันจะคลายลงมาทันทีพาถ้าจิตเป็นฌานสมาบัติอาการปวดมันจะหายไปแล้วมาคุยกันต่อไปว่าเมื่อความสบายเกิดขึ้นหลับตาก็เห็นภาพพระลอยอยุคลนาเพราะนาไปไม่กี่นาทีเพราะจิตชิน อาการทางท้องที่ปวดก็รู้สึกว่าคลายตัวลงพร้อมกับเห็นภาพพระที่ลอยตรงหน้าสวยหนักขึ้นทุกทีตอนนี้ไปอุปจารสมาธิ <c oughs> จำให้ดีนะนักปฏิบัติแกรกมฐานนะก็จำให้ดีว่าคุณประโยชน์ของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้เดิมทีเนพระท่านเป็นสีเหลืองธรรมดา ต่อมาก็เพิ่มความสดใสมากขึ้นทีละน้อยละน้อยจนเห็นชัดต่อมาก็เกิดเป็นแสงเรขาคายคล้ายเพชรตอนนี้เป็นฌานสมาบัติที่เขาคลายตัวจากเหลืองมาเหลืองน้อยลงขาวขึ้นทีละหน่อยละน่อยจนัง่งขาวเต็มที่ชัดอันนี้เป็นอุปจารสมาธิเต็มที่แต่พอมาเป็นเรากายอย่างเพชร ที่ถูกแสงปะสะท้อนจากแสงไฟตอนนี้เขมรดาแตงพุทธศาสนิกนชนนั้งหลายโปรดทราบว่าตอนนี้กําลังใจเป็นฌานสมาบัติและภาพนั้นเป็นบรัรกายแผ่วพราวพระนั้นเป็นระกายแผ่วพราวทั้งองค์ในใจก็มีความเพลิดเพลินกับความสวยสดงดงามของพระจนลืมความเจ็บปวดเสียสิ้น นี่ตามความรู้สึกในเวลานั้นมาเพลินในความสวยแต่เนื้อแท้จริงๆได้คลายความเจ็บปวดไม่มีความเจ็บปวดนั่นจิตมันเป็นฌานอันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่รับฟังอย่าคิดว่าเป็นความรู้ที่อามาสอนขึ้นมาใหม่เป็นความรู้พระองค์ทรงเจ็ดทวนสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเด็ก ก็เลยไม่ค่อยจะมีความเข้าใจอะไรนักเมื่อเป็นเด็กมันก็เอาแค่ว่าอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าชาญเชิญหรอกไม่รู้เป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปว่ามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไปเก้านาิกาเศษก็ลืมตายก็มันดูคนที่มาและภาพต่างๆสช้ตายเห็นมันสั้นข้ามาทุกที เฉือยะเวลาสองสามนาทีก็เกิดมองอะไรไม่เห็นเลยคือตาเนื้อเนี่ยมองไม่ห็นอะไรพ่อท่านแม่ท่านลุงป้าน้าปูที่มาเยี่ยมกันเขานั่งใกล้ที่แรกก็มองเห็นแต่เข้าในาเข้ามองไม่เห็นเลยทั้งหนักใจแต่ก็มีความรู้สึกว่าใจนี่มันสบายจริงๆ ตามมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดแต่ปรากฏว่าใจสบายอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขที่สุดจิตนี่มีแต่ความเยือกเย็นมีความสุขสนทัศรษาบอกไม่ถูกจริงๆพันนาไม่ถูกใ้ตอนนาในยสีเพราะว่าใจสบายสิ่งที่เสียนได้มากที่สุดก็คือมองไม่เห็นพระแล้ว <c oughs> ก็ลืมตาขึ้นมามองไม่เห็นพระคือจะเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นมองไม่เห็นตั้งอยู่ใกล้มากที่สุดมือเอื้อมถึงแต่มองไม่เห็นใช้ตามันสั้นก็มาตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งที่ไม่สามารถเห็นพระองค์ที่รักได้แต่ก็เลยหลับตาที่เอาลืมตาไม่เห็นก็ช่างมันก็หลับตาต่อไปนึกถึงท่านความรู้สึกก็มีความสมบูรณ์แบบขึ้นอีก ตอนนี้สติสัมปชัญญะก็เป็นปกติอาการปวดไม่มีแต่ก็มีความเป็นห่วงพระเสีนยนไดภาพพระทธรูปที่รักก็เลยคิดเอาว่าในเมื่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแม่เคยบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านแม่เคยสอนนะว่าถ้าเราภาวนาว่าพุทโธพระท่านจะมาหาเราทันที เมอพระจะมาเนี่ยท่านจะมาในร่างกายอันเป็นทิพย์แม่อธิบายอย่างนั้นท่านจะไม่มาในฐานะที่เป็นพราพุธรูปท่านจะมาในฐานะที่ร่างกายเป็นทิพย์เมื่อคิดคย์ที่มาได้แล้วจึงได้ตั้งใจภาวนาตอนภาวนาก็นึกว่าข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเขาได้โปรดทรงเคราะห์ในร่างที่เป็นทิพย์เพราะไม่เคยเห็นเลย เนื่องในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าอยากเห็นเต็มทีแล้วเพราะคิดถึงพระองค์ขอให้พระองค์จงมาหาข่าพระพุทธเจ้าเถิแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ภาวนาว่าพุทโธได้ประมาณสามรอบก็ปลายกดได้เห็นพระท่านมาตอนนี้ถ้าไม่มาแบบพระพุทธรูปแล้วถ้ามาแบบพระสงฆ์มีรูปร่างสวยสดุดงามมาก มีนิว้วมีแขนมีขาทุกส่วนกลมไปหมดส่วนใดที่ยันแดงก็แดงส่วนใดที่จะดำก็ดำอย่างริมิทปากแดงกาลังสวยผมก็พันก็ดำสนิทหนังสืวเขียนไม่ยังไงเขียนไว้วไ่ายังไงไปเดี๋ยวก่อนนิ้วแขนขาทุกส่วนกลมไปหมดไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนกับของเรา ริมริบปา ก, ก็แดงในน้อยกําลังสวยน่ารักเนื้อเต็มไม่มีส่วนสัตว์บกกร่องแล้วผิวท่นานก็เหลืองคล้ายๆกับผ้าเหลืองผิวเหลืองอ่อนผิ ว, เ ห, นะผวเหลืองในน้อยนะผิวท่านเหลืองในน้อยคล้ายๆกับผ้าเหลืองแต่จะว่าเหลืองอ่อนกับผ้าเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวไปตรงไหนแล้ว เสียงอะไรมันรัดเปียก็ตกใจหันไปดูเลยเป็นนั้นว่ามาตอนนี้เห็นท่านสวยผิวเหลืองนะแล้วก็มองดูท่านส่วนสัตว์ท่านก็สวยผิวเหลืองน่ารักมีอะไรมองแล้วก็ไม่จิตาจิตใจมองไปมองมาเห็นท่านยิ้มในน้อยกาลังน่ารัก พอท่านยิ้มขึ้นมาใจก็ดีขึ้นมาเยอะแต่ว่าท่านยิ้มเฉยๆท่านไม่แยกพูดอยากจะพูดกับท่านมันก็พูดไม่ออกแล้วท่านก็ไม่พูดท่านก็ยิ้มแต่ความจริงก็ดีเหมือนกันเมื่อเราพูดไม่ออกแล้วก็ท่านอย่าพูดด้วยก็จะยุ่งท่านก็เลยยิ้มยิ้มท่าไม่พูดมองหน้าท่านท่านก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลา ปกติจริงๆอัตมาเนี่ยก็เป็นคนชอบคนยิ้มถ้าใครเขายิ้มเราก็รักเห็นเขายิ้มเราก็ชื่นใจถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยไปประการใดจะ ก, กายงานก็ตามถ้าคนที่ก็จะใช้งานเราต่อเขายิ้มเราก็พร้อมพร้อมรับการยิ้มคือว่าตั้งใจคือชอบใจยิ้มนั่นเองเพราะฉะนันอัตมาชอบยิ้มอัตมาเองเนี่ยก็ชอบยิ้มให้กับคนอื่น แล้วก็ชอบที่คนอื่นเขาจะยิ้มให้บันดีไม่ดีก็มีหลายรายเหมือนกันเรายิ้มให้แกแกก็ทําปั้นปึงก็ ร, รู้สึกตาําหนินิดนิดคนนี้น่าควรจะบ้าไม่ชอบคนยิ้มถ้ า, ากว่ายิ้มให้ใครแล้สามคราวแล้วเขาไม่ยิ้มตอบให้เขาไม่ยิ้มรับต่อไปนี้เราก็เลิกยิ้มมันเลยเป็นนั้นว่านายคนนั้นตั้งแต่วันนั้นไปยืนทั้วันตายไม่ยิ้มให้ต่อไป พให้แล้วเขาไม่รับเนี่ยย่ให้เขาทําไมความจริงจิตตรงนี้มันก็ไม่คม่อยจะดีนะักที่ว่าไม่ค่อยจะดีเพราะว่าคนก็อาจจะมีดีแล้วก็มีเลวบางขณะเขาอาจจะเลวแต่บางครั้งเขาอาจจะดีแต่นี้ตอนที่เรายิ้มให้เขาน่าอารมณ์ใจก็อาจจะคลุ้มอะไรก็ได้แต่ถ้าว่าจิตใจในตอนนั้นที่บรรดาท่าพุทธบริษัท ต, ตอนนั้นไม่เจ็บกระ จิตใจยังเป็นคาราวาสอยู่ก็ยังนึกว่าถ้าเราไหว้เขาเขาไม่ไหวตอบเราบูชาเขาเขาไม่บูชาตอบเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มตอบก็เลิกไหว้เลิกบูชาเลิกยิ้มกันเลิกกันตลอดชีวิตตรงนี้ก็ดีไม่กันจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้ในเมื่อคนมันไม่มีดีแล้วจะไปดีอะไรกับมันไอ้ก็ทุกบูชาดับปฏิบูชังวรรณกูปฏิวันทนัง ถ้าคนดีเราบูชาเขาต้องบูชาตอบเราไหว้เขาต้องไหว้ตอบเรายิ้มเขาต้องยิ้มตอบในเมื่อเขาไม่ยิ้มไม่บูชาไม่ไหว้ตอบก็แสดงว่าเขาไม่มีดีนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสวันนาจะพาลานังปันติตา น, นัญยศิวนาบูชาจะปูชนียา น, นังเอตมังครมุตมังเราอย่าคบคนเลวคือคนพ่าน จงคบแต่คนดีคือบันดิจงบูชาแต่บุคคลที่คนบูชาคนที่เรายิ้มให้แล้วก็ไม่ยิ้มตอบเราไหว้แล้วก็ไม่ไหวตอบเราบูชาก็ไม่บูชาตอบแสดงว่าคนนั้นเป็นคนเลวแต่ความจริงการตัดสินใจเวลานั้นเป็นเด็กก็รู้สึกว่าถูกถูกตามมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเออคุยกันต่อไปแต่มันเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสมากกว่า ตามอารมณ์ปกตินะนิติตัวเองว่าตรงที่เขาไม่ยิ้มให้สามครั้งแล้วไม่ยิ้มตอบมันเป็นเรื่องของคนที่จิตมีกิเลสตามปกติตามปกติของคนที่มีกิเลสก็จะมีการนาขาดจะมีการเกลียดหน้าสิงกันละกันแต่ความจริงจะหันเข้ามาจริงๆตามมุมคนละโสดเขารู้สึกว่าไม่เกี่ยวได้กิเลสมันเป็นการตอบสนองคนเลวว่าคนเลวเราไม่ครบ ถ้าครบเราก็หนักใจเพรานั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายฟังกันต่อไปเทถานี้ก็ปรารบถึงผู้อ่านว่าขอทุกท่านจงอย่าอาปฏิบัติตามนั้นนะแต่ความจริงตอนนี้คิดว่าปฏิบัติตามก็ถูกแล้วปฏิบัติตามบางคนแต่ตอนที่เขียนบรอีกตอนที่เขายิ้มให้สามครั้งแล้วไม่เขายิ้มไม่ยิ้มตอบเราไม่ยิ้มให้เลย เขาเขีไว้ตอนท้ายว่าเป็นอารมณ์ของคนมีกิเลสท่านไม่ควรปฏิบัติตามแต่ว่าตอนมาพูดตอนนี้คิดว่าควรปฏิบัติเพราะตรงกับมงคลี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอนุนวาต่อกันไปมันเป็นกรรมที่เป็น อ, อกุศลอย่างหนึ่งที่คนประเภทนั้นเขาไม่เห็นความดี เราจะเลือกเอาก็แต่ส่วนที่ตอนที่ดีนี่หมายความว่าตอนใดที่อาตมาพูดมาเนี่ยตามประวัติตอนใดมันไม่ดีก็อย่าไปปฏิบัติตอนไหนดีก็เลือกอไปมาพูดกันเนงเรื่องของพระภาพของพระต่อไปเปว็นนะว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะมารักมากท่านสวยนะภาพของท่านที่เห็นเป็นพระสงฆ์ท่านยิม้มแล้วก็ท่านกสวย และความสวยก็งท่านก็สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตา้ําดับต่อมาท่านก็มีแสงออกจากตัวท่านเป็นหกสีที่เรียกก็ว่าฉับพันรังสีตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้สีออกนี่มองดูก็คล้ายพผ้าทิตศรทรงกรดแต่ก็สวยมากกว่ากันหลายแสนเท่าเทียบกันไม่ได้คราวนี้เองตัวของท่านเอง แทนนี่จะเป็นสีเหลืองก็กลับมีสีเป็นไปไกยทั้งองค์อาตมาก็มองไปจนลืมตัวมองไปมองมามองมาโปงไปปรากฏว่าตอนนี้มีอะไรแปลกเข้ามาหน่อยหนึ่งตัวก็อาตมาเองในเวลานั้นเป็นเด็กในยะี่สิบสองปีก็กลายเป็นคนสองคนก็คือคนหนึ่งยืนอยู่ข้างคนเดิม <c oughs> ไมายกว่าเจ้าคนหนึ่งนอนเจ้าคนหนึ่งยืนฮะมันยืนอยู่ข้างตัวเก่าที่มันนอนอยู่อันนี้สำหรับตัวใหม่นี่เมื่อพิจารณาดูแล้วมันสวยกว่าเก่ามากมองดูเนื้อก็ใสมันแก้วนะผ้านุ่ง ม, มีสีเหลืองมันทองเสื้อก็เป็นสีทองมีแก้วประดับแพรวไปหมดทั้งผืน ถ้าทั้งผืนนะ่เต็มบีแก้วคือเต็มบริเพชรนะไอเพชรจริงๆมันก็สวยสู้ไม่ได้เพราะเพชรก็มองแล้วแบมาดูสาใสๆเฉยๆแต่นั่นแก้วที่เป็นแก้วใสเป็นบริกายออกมาแพรวาวน่ารักค่าสูงมากแล้วก็ทองแล้วก็เป็นสีทองทั้งตัวตัว น, นี้ก็หมายความว่ า, าสำหรับเครื่องประดับที่เป็นทองนะผ้าที่เป็นทอง แล้วก็เสื้อที่เป็นทองมันก็มีแสงออกแสงพุ่งก็ไปจับเนื้อที่เป็นแก้วเลยดูตัวทั้งตัวเป็นทองไปเลยอมืมามองดูบรรหัวก็มีช a n ประดับแก้วสวยแก้วที่ประดับเสื้อและผ้าชั n d e l มีแสงสว่างออกมามากพกะสว่างเอาไปทั่วบริเวณเลย ไม่ใช่บริเวณในในบ้านนะมันบริเวณบริเวณกว้างออกไปมากตอนนี้เองตามความรู้สึกในเวลานั้น่เอเราเนี่ยมันเป็นคนสองคนแต่มองด้วยคนที่นอนนั้มันสกรปรกบอกไม่ถูกไม่ได้เคยเส้นดายมันเลยก็ลองขยับเนื้อขยับตัวดูเอ๊ไอตัวใหม่นี่มันคล่องแคล่วดีกว่าตัวเก่ามาั่ง มันเบาผิดปกติความน้ำหนักแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆก็สะดวกว่องไวมากมองไปดูตัวที่นอนก็สราบว่ามันเป็นตัวเก่าที่เต็มไปได้วยความสกปรกโสโครกมองตั้งแต่หัวตลอดเท้าหาส่วนที่สะอาดอะไรไม่ได้เลยมองเข้าไปข้างในก็เต็มไปได้วยวัยวะต่างๆที่เต็มไปได้วยความสกปรก มันไม่สวยมันไม่น่ารักมันมีแต่หน่าเกลียดที่ก็ น, น่ากลัวมีสภาพเหมือนกับเด็กที่กลัวผีมองเห็นผีมันเกลียดมันกลัวมันไม่มาสยิดเซียนทุกอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรรับฟังให้ความจริงของคนมันเป็นอย่างนี้นะดะนั้นท่านนี่ว่าเทวดาไม่มีเนะี่ยน่าจะฝึกซะบ้างนะฝึกไม่ต้องมากเอาตัวอย่างตอนเป็นเด็กไในยาวว่าอดเลยนะ เอาตามนี้ใชบ้างไม่งั้นแล้วก็ถ้าประกาศตนว่าท่านเป็นสาวกคุโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและว่านั่งคัดค้านคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะดีตรงไหนเนะี่ยถ้าคนดี่เขามีปัญญาเขาจะหาว่าท่านเป็นผู้ตั้งใจทําลายพระพุทธศาสนาและก็เป็นคนอกตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าที่มีข้าวกินมีกิจตุกุติอยู่ มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความดีเขาองสมเด็จพระบรมครูในฐานะที่อาภากาส า, ภ า, ภ า, ภาวภพเขามาห่มกายก็คิดว่าท่านเป็นสาระอันหนึ่งคือสังฆรัตนะคือแก้วแต่แน่แท้จริงๆก็กลายเป็นแก้วเหลาเมาจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเล่ากันคุยต่อไปเป็นอันว่าตอนนั้นแต่มาไม่เคยนึกรักไม่เคยปรารถนาะร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขสปบ แล้วก็มันก็ไม่มีลมให้ใจไม่ได้เคยชอบไม่ได้เคยมีความห่วงใหญ่หันไปดูพระพระยาพระพุทธนะพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าตอนนี้ปรากฏพระท่านหายไปเส็ยแล้วเสร็จหันมองไปไ ม, ม่ไม่เห็นพระก็ใจหายวา่าเดินวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่ง เห็นมันสบายดีเนี่ยเจ็บมันก็ไม่เจ็บปวดมันก็ไม่ปวดเมื่อยมันก็ไม่เมื่อย ม, ม, ม, <c oughs> มีความสุขมีความสมบายใจก็ปร่งตัวก็เบาว <c oughs> ตอนนี้เดินไปเดินมาอยู่บนบ้าน <c oughs> เห็นมันแคบแคบชักอึดอัดใจที่เยืนอยู่บนบ้านเนี่ยมันไม่ชอบใจอยากจะลงไปเดินเล่นหลังบ้านอากาศมันโปร่งดี <c oughs> ด้วยที่นั่งเย็นที่นั่ามันเย็นสบายแต่ว่าการไปนอนไปนอกบ้านตามปกตินะตามระเบียบท่านแม่ถ้ามีระเบียบแบบนี้นะถ้าว่าท่านอยู่อยู่บนบ้านไปไหนก็ต้องลาท่านอยู่บนบ้านจะลงข้าล่างต้องบอกท่านก่อนหากว่าท่านอยู่ห้องล่างเราจะขึ้นมาบนบ้านก็ต้องบอกท่านก่อน ระเบียบการลาเนี่ยต้องเป็นไปตามปกติแต่คลาดจากสายตาท่านแล้วก็จะไปไหนคลาดจากสายตาท่านต้องบอกก่อนเสมอ <c oughs> ถ้าไม่บอกเป็นยังไง <c oughs> ถ้าไม่บอกท่านในก็หมายความว่ากระ บ, บีอาญาสิกคือไม่เดียวมันจะปรากฏมันจะสนแสดงอนุภาพความจริงก็ดีแต่คนสมัยนี้เขาบอกว่า เสียอิสรภาพแต่ความจริงได้กิดแล้วเป็นความหวังดีของท่ยานผู้ใหญ่สอนให้รู้จักระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเด็กในสมัยก่อนจิงหาเด็กเลวยากกว่าเด็กดีแต่ <c oughs> ว่าเด็กสมัยนี้จะมาไม่ได้สนใจว่าเขาจะดีหรือเขาจะเลวยังไงเพราะเราไม่มีลูกกับเขา ไม่มีลูกและกับเขาเลยไม่รู้ว่าดีแล้วเลวเป็นนั้นว่าคงจะดีเพราะการศึกษาดีกว่าเก่าหรือยังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นไม่ต้องรักษาระเบียบจริงเข้าไปหาท่านแม่เข้าไปแล้วก็ไหวท่านลาท่านบอกว่าจะไปหลังบ้านแต่ตอนนี้ผู้ไหวท่านท่านไม่พูดโดยแล้วที่ท่านไม่ยอมพู ด, ด้วยถ้ากมองไอ้เจ้าคนที่นอนอยู่ ล้วท่านก็เมือเราจึงเอามือไปจับตัวท่านท่านก็ไม่เหลียวหน้ามามองก็นึกในใจว่าเออแม่ไม่สนใจเราเอาไปหาลุงดีกว่า mm hmm. ก็ไปหาท่านลุงเวลาท่านแบบเดียวกันท่านลุงท่านก็ไม่ได้สนใจอีกหาใครก็สนใจด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่เขาสนใจนั่นก็คือศพที่นอนอยู่ขาา้างหน้าเฮียพูดไปพูดมาหนังสือหายอีก เป็นนั้นว่าไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรก็เลยทัอากาศไม่ลาลาแล้วเนี่ยถือตาเน่เบียบเมื่อลาแล้วไม่รับทราบก็เป็นเรื่องเขาพูนรับลา <c oughs> ยังเดินเดินลงมาบันไดรึกวก็เลี้ยวไปยืนอยู่ข้างทางทางด้านหลับ้านไปยืนข้างๆทางที่หลังบ้านหลังบ้านมันปโปรง่งเป็นทุ่งโลง่งอากาศดี <c oughs> ตามบกติชอบอากาศโล่งๆมาสบายๆมาที่ให้อากาศโล่งสบา ย, าบายรู้สึกมาสบายใจมากขณะที่เย็อยู่เพลินๆจิตกําลังมีความสุขเย็นอยู่ที่ดังบ้าน่ะเองก็ได้ยินเสียงคนบางคนคนบนบ้าน <c oughs> คนบนบ้านที่สนใจกับเจ้าคนที่นอนอยู่นั่นแหละ <c oughs> เสียงที่เปล่งลงมาไม่ได้เสียงไม่เสียงร้องเพลง <c oughs> หรือไม่จะเสียงโหไม่จะเสียงโกรุมันเป็นเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ดังมาทีงหลังบ้านเลยยินถนัดก็รู้สึกแปลกใจว่าเขาร้องไห้ทําไมกันเห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีฮเห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีญาติตายนะเราคิดในใจนะไอ้การร้องไห้ในะถ้าญาติตายเขาก็ร้องไห้กัน นึกคนที่เขารักตายเขก็ร้องไห้ตามที่พุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชัยตีโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักให้ความรัก <c oughs> อันนั้นมันต้องสลายไปก็ร้องไห้เพราะความสิน้นหวังแต่นึกในใจว่าเอ็นนี่เขาร้องไห้ทําไมเห้งใครมันตายที่ไหนเราไปเห้งใครมันตายสักคนเนี่ย อตอนนี้ไม่อยากรู้ตัววายตาย <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพทธบริษัททั <c oughs> ออ้งหลายเสียงมันแห้งนะเกื่จะแก้ไม่ทัน <c oughs> เสียมห่ามันขึ้นมาพันคอพะพูดถึงตายตายมันจะเริ่มตายขึ้นมาบ้างแล้วสินะ <c oughs> ต้องขออภัยดย้วยตอนนี้เสียงแห้งไปซะแล้วก็คิดว่าเขาร้องไห้กันเฉพาะคนตาย ตอนนี้ไม่มีใครตายนี่เขาร้องไห้กันทำไมอ้าวแปลกใจว้าแปลกจริงๆนะไม่น่าจะร้องไห้กันเลยนี่ไอคนที่บ้านนี้ไม่มีใครเข า, ขาขออตายสักคนตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนฟังพอ น, นึกได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในด้านส ก, กายดิฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา นี่เราจะเห็นว่าถ้าเราตายทาให้ร่างกายมันตายเราออกจากกระร่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งค <c oughs> อมันเอาแยกแต่เราก็ร่างกายเป็นคนละคนกันไปเมื่อก็ร้องไห้ก็ทิศไปอีกเก็ร้องไห้ทําไมเนาะ <c oughs> แล้วก็ไม่สนใจยือนอยู่หลังบ้านอยู่สักครู่หนึ่ง ยืนอยู่นานไม่ถึงสิบนาทีเวลาที่ผ่านไปโดยประมาณ <c oughs> เห็นคนมาเดินจากจากที่ใต้เป็นแถวยาวเหยียดเออเอา <c oughs> ยืนมาเป็นแถวยาวเหยียดก็เดินมามีตรงไหนละ่ะยืนคอยอยู่ข้างทาง <c oughs> คิดในใจว่าคนพวกนี้นี่เขาจะไปไหนกันนะถ้าคนพวกนี้จะเดินมา มีคนใหญ่ๆนำหน้าแต่คนพู้นั้นกับตัวจิ๋วๆข <c oughs> พอภัยยยมมันใหญ่คอมันเกิดมีพิขึ้นมาในเวลานี้พอดีนะ <c oughs> เป็นมาาคนที่เดินนำเป็นคนสูงใหญ่มากและก็คุมมาสองข้างและข้างหลังอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนด้วยกัน ควบคุนคุมคนพวกนั้นมาเขาเดินขนานกันมาพอเข้ามาใกล้เมืเสียงตัวนี้คนยังไม่ไม่ปกติเบาไว้มั่งหนักไปมั่งเพราคอมอลาวาสพอดีแก้ไม่ทันเบื้อนั้นว่าคนที่เดินนําหน้านะคนที่เดินนําหน้านุ่งผ้าขิวแล้วคนที่เดินมาคุมนด้กันทั้งหมด นุ่งมาบนนุ่งผ้าเขียวเหมือนกันทั้งหมดตัวใหญ่แล้วก็สูงมากผู้ที่เดินตามมาหัวของคนพวกนั้นแค่เขาของคนนํานั่นเองเมื่อเห็นเขาเกาเห็นเขาตัวใหญ่เนี่ยก็รู้รู้สึกว่าเมื่อเห็นเขาใหญ่อาจะมาในเวลานั้นตามความรู้สึกก็เลยทําตัวใหญ่บ้างให้เท่าเขา แล้วก็ใหญ่สูงเปกระเท่าเขานั่นเองชายสี่คนคนหนึ่งนำหน้าสองคนเดินขนาบข้างอีกคนหนึ่งเดินตามข้างหลังในจานวนทาชายสี่คนที่ควบคุมมาคนที่ติดตามมาในเวลานั้นท่ายากะศโดยปริมาณแล้วก็ประมาณได้สองร้อยคนเศษแล้วก็สังเกตดูก็เป็นคนที่เคยรู้จักมงและก็มี แสดงว่าการรู้จักก็ ร, รู้จักแต่ว่ารู้สึกเขาตายไปหลายวันแล้วก็สงสัยชายสี่คนในคนหนึ่งเดินนําหน้ามีสมุดคอยอยู่ในมือสองคนเดินสองข้างขนาดข้างอีกคนที่สี่เดินท้ายแสดงว่าคําวางแผนว่าควบคุมการหนีเมื่อหัวหน้าใหญ่เข้ามาถึงอาตมาอาตมาเข้าไปยกมือไหว้เขา ถามว่าลุงครับจะไปไหนกันครับเขามองหน้าแต่มาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเปิดสมุดคอยดูนะไอ ห, หนูชื่อเธอไม่มีในบัญชีเข้าบ้านไปพุทธหลานพอเดี๋ยวแม่จะอบนหาเป็นอันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทธ์หลายโดยทุนน่ะวันนี้ตอนท้ายไม่เปลี่ยนเรื่องไอคอคือขันหน้าร่างกายมันไม่ดี มันคุกคากอยู่หน่อยหนึ่งดีพอดีก็เวลานี้หมดเวลาพอดีเลยเวลาเป็นหนึ่งนาทีต้องขอไัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระจินวนวรทุกท่านฟังแล้วจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลหาเพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาเร่งทุกประการสวัสดี